ไอ้คนขวนมั น, นมันบอกเลยเฮ้ย hey! มึงไปสุราอะไรก้มึงวะเนี่ย น, นะบอกขายกกรรมการวัดเขาก็มีแล้วมึงจะเชือกไปทำไมอีกล่ะวนี้แน่เชือกไปยุ่งเขาทำไมนะไม่ต้องไปยุ่งแน่คือคนอื่นเขาจะทำดีมันเข้าทาน้องว่าไม่เจ้าไม่ถ่อแต่ว่าตีนลานามม้มแน่ คนชนิดนี้ก็มือเท่าท่อไปหาได้ไง่ายไม่ยากนะักก็เรียกว่ามันจะรับสินมันก็กลัวศินจะไปขวางไม่ให้มันทําความท่วมันจะให้ทานมันก็กลัวจะหมดกลัวจะเปลืองแม่ถ้ามันไม่รู้ว่ไหนมุนไม่บาปก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนมะ่ไม่ต้องเอื่นไกลลบหนี้อม่ใช่หร คี่ตำบลหม้แร่นะอย่าเดินทากดิโไม่ใช่ินท้าใครเล่าให้ฟังนี่คือตำบลหม้แร่อายุจะพอหกสิบนะขอบคุณเจ้าะอายุจะพอหสบช่วงปีนี้จะเสียอายุจะด้วยทีเป็นไงเป็นไงไอ้นี่ผมก็ไม่ได้ยินครับครับแต่ละเวลาพระผมมาเล่าใ้ฟังครับครับมผานมาเล่าให้ผมฟังไม่้พอเอคนขนาดนายอมเพอนี่ คนไปพูดปชุมประชาชนบนราราวันผมบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนโลกไม่มีเทวัาไม่มีตั้งนั้นผมก็ลำคาญจมึกกเลยลุกขึ้นพูดว่านัเ่เทอสาราที่ท่านพูดอย่าเนี้ยมันเําไใบบุญของประชาชนเขาเออครนี้เมื่ท่านบไม่มีบาปไม่มี อะไรเู้การทุงมหาเนี่ยอนั่อะไรก็ดีดีนี่ร้านบ่อมหาผมนี่ให้ตังค์นี่ดีจริงๆดีผมจะรักขนาดอายุจะเกษียณปีนี้แหละอ๋อนี่ม่าจะใช้คำพูดอย่างนั้นนั่มันน่าจะมีความรู้ล้ำคนจังหวัดขนาดนเองอย่แหล่ไม่ใจะคนที่ไหนนี่แหละพรคุณเจ้า คนชนิดนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักเทวาลาวะเขาดูอย่างนี้เมยจริงนงโมแลวก็น่าจะรู้ตัวว่าตัวโ่นี่อคนนี้รู้ตัวโง่เขาจะอะไรเพราะคนคคนัน้นนะเขาจะลาดนี่มันไม่รู้ร ด, ด้วยนะว่ามันโง่ด้เป็นได เป se. se. que ็นไปรู้ตัวว่าเป็นความนั่เร็นเงินนั่นเป็นเดินใช่ไหมและอีกขั้นมาคนเจ้าเป็นไงล่ะคนจะไม่รู้ตัวเป็นคนนะก็กิตเนอัตยุรกายนะชอบไม่ชอบทำดีนะจำไว้นะแลอีกขั้นขึ้นกูก็ไม่รู้ล่องกูก็ไม่รู้นะเห็นรู้อยู่อันนึงไอ้ทีดีที่จะฆ่าตัวเอง เราจะฆ่าจับสมบัติของตัวเราจะฆ่าใจของเมียของผัวแล้วก็จะสร้างแต่โจรยี้มรออู้เองอ่าคนพวกนี้จป็นเขาชวนมาฟังเทศไม่สนใจด้วยเขาชวนมาทำบุญไม่รู้เรื่องไม่เข่ใจนะอาหารว่าใครจะกิตว่าเฮ้ยไปกินน้ำตาลหมาจำนวนถือห่ อ, อนะ บางคนที่าเ ล, ล่าขายเอาเราเอาไปซื้อมาจะขวแต่งกินเอาไปซไก่ามาตวแต่งกินใครยังมีคร่อมเข้าใจเข้าใจดีนี่ผมว่าเขาเป็นคนมีเมตตาไะครับาาเมตตาทอดเมตตาอะไรอะไรไม่หันซฮะก็ไอ้น้ตเมาเรื่องทให้คนเสียคนใช่ไหเขากินเพื่อ ม, มาคืยที้าไม่ได้กินจะไม่เสียคน เอ้เนตคุณเจ้านี่มาพวกเดียวกัน่ไดื่ดกันแต่ผมไม่เคยกินน้ำตาลมาคนนี้คนเป็นางนั้นนะเมยจ้ายี่กับคุณเาเพาะท้ใครื่อนี้เขาไดยอมค่าตัวเองกันแล้วเป็นไงเป็นไงงเออว่าเขาเดินาุระไปนะ สติปัญญาเสื่อมลือหรือไปจำไม่ได้ใครบอกอะไรก็ลืมหน้าลืมหลังเข้าไปในเรือนไม่รู้ไปเอาอะไรปรกอบไนั่งเมื่อ้าใหม่แก่จะเอาใหม่อีกนี่สติปัญญาเฉื่อมสองเม่อคุณเจ้าไปดูไอ้รองบานที่ลงในประเทศไทยแน่นหมดเลยแน่หมดพกตัวค้าตัวเองหน่งไปโลกกับแข้งสองไปโรกความดันโลหิตจะไม่ต่ำสามไปโรกความพลาดสี่ไปโรกมะเร็งก็ไม่ร้ายแ อ้าวรายที่ม่นรายังไง่ะรายอนยมันไอ้เรื่องนยมันเรื่องไอ้นนี้ทาเป็นลักหนูขึ้นไม่ได้ก็ใช่ทีู่กทาไรคนหนไม่ได้ใช่ไม่วรอในารทำาแล้วก็สามรับของตัวสมควรเราจะได้ให้ลูกขห้ญาติกินกินคนเยอะเราต้องควรเราจะได้เหนือได้บัางจะได้ทุงานทำกุศลจะได้ช่วยตัวเองบ้าเจ้าจไม่ได้ทาอะไรนี่แหละเราเป็นเจ้ารักที่ฆ่าตัวเอง ราชีค้าค่าสับสมัยด้วยนีอีกคือนักการละพนันเพื่อสองงานนี้นะมึงเชื่อลาสองการละพนันนี่ประเทศไทยภาพยนรัฐบาลเป็นจะมือยใหญ่เ้า้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้เฮายเฮ้ยเฮยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ เพื่าประม่ให้คนดูเล่าเทอ่ยวคนก็ตอบเลยถ้าต่อไปไม่เล่าลองเล่าข่าวแบบประการนะแต่เล่ไข่าประการแต่จะประกานได้ยังไงอะวรัฐบาลเขาจะมือะ้าวขึ้นก็เอาอะไรเข้าเข้ามานั้นแล้วก็การรัฐานตรีรัฐบาลเขาก็จะมือหวยกันอีกนะแล้วเราจะไปสอนเขาได้ยังไงอะเออเอาละ เป็นว่ามีญาติโยมถามมานะแต่ว่าทำถามว่าญาติโยมนี่ก็เดียวก็ถึงปรเด็นสังเกถามว่าใค้บ้างย่าแ้ให้หมอฟันมาหดือยพื่อนเดี๋ยวาถ้าถ้าถ้่ม่ถ้ก่อนนะเอมันได้ตามถามที่ถามนี่พระองคระโยช์กันเป็นการถามเรื่องการสร้างพระพุทธรูปมีสูงขนาดไหน ถเราญาติโยมทราบการสร้างพุทธลูกญาติโยมม่ต้องจิตใจไปจดจิตพุทธรูกอยู่เสมอใช่ไหมทางประางพุทธรูกขอบพุทธมุชายากไปได้นะตอนี้บรรดยาจ่าในฐานที่สรุปเรื่งการสร้างพุทธลูกพระใจเรารักพุทธลูก็เป็นพุทธานุปติกมฐานในเมื่ออารมณ์ของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติที่พระพุทธเจ้าตรัสไในพระธรมบทตรกับถึงอรินักกาผู้กักการ ก็ความบุคคลใดที่นึกถึงชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศแค่จะนึกถึงชื่อเราอย่างเดียวตายแล้วในสวรรค์นับไม่ถ้วนนับเป็นโกดนะแล้วที่เรียนในสองหมายควาว่าทุกคนที่สร้างวัตรูปก็ดีหรือว่าไม่ได้สร้างครั้งที่ไท่านทันถวายธรรมทานวัตรูปอย่างที่ราสร้างวุตถุรูปเลยนะ อย่างนี้แปลว่าอีกประเภทหนึ่งคือว่าซ่อมแซมมุขรูปคนดูซ่อมแซมุขรูปที่เก่าเกือบจะใช้ไม่ได้แล้วนี่ความจริงเรื่องมิยาโยนิเบสตรีคิดว่าถ้ายังปฏิบัติไม่ได้คนจะสนใจเห็นมากเพื่อนางวิสาขามาหัวบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระจ้าคุณนาว่าพระพุทธเจ้ากรสุนเอลานั่นพันไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าในพระศาสนา เดิผ่านไปเก็กบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเก่ามากแล้วผิวร้าจับถว่าจะใก็อยะพังท่านอะไรข้าไปจับปราโเอรถ้าฟัเทศจับมาแล้วจะให้ขนมธรามซ่อมไม่ดีสุดท่านก็มาซ่อมพระพุทธรูปนั้นน่าสวยสดงดงามติดเองประทองไป อ, อ, อย่างดีแล้วก็ทำอีกผ่านไปทำอีก็ถือว่าทำไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรู้แล้ว ขอให้เจ้าพระเจ้าเข้าใจในพระธรรมขององค์สมเด็จพระปฎิเเจ้าถึงไม่ได้ันเหมือนกันท่านตายจากชาตินั้นเปลแล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดีพ <c oughs> อหมดอายุการสมัยมาสั่งสมัยพระพุทธเจ้าองคนี้ท่านออมาเกิดมีนามว่านางวิสาขามาหุบาสิกาพราะอาณาสักรที่สร้สาพระพุทธรูปเก่าให้ใหม่ได้สวยขอ ง, ขอ ง, ของลูกของรูปเดิมเป็นเหตุให้นางได้เป็นจา ก, กรยานีคือมีความงามหอย่าง ความงามห้าอย่างนี้ก็คือหนึ่งงามผมสมพระคณาผมสวยเรียบร้อยละเอียดไม่ต้องหวีก็ได้แล้วก็ไม่เหงสายไม่เหงสัามไม่ต้องเสียค่าสาธาสมัยสมัยนี้จำได้นะนั่งแล้วแถวเสียค่าสาธารณมคนมากๆมัดสองอดท้ายจิ้มลิ้นหนุกพื้นเผาดิ้นทุบปากแดงเรื่อยเรื่อยกำลังสวยไม่มีริ้วรอย สางามพลวิลั่งดังสังขัดไมายความปัญหาในส า, าขาจะไม่ขัดก็ขาวไปเงาอยู่เสมอเท่ากเบียกไม่ตัดตีผิวไทศจะีการนามราสีผิวเธอสวยตัอเวลาไม่มีฝ่ไม่มีข้าไม่มีตนมีข้าคอบบตุตรสักเท่าไรไวัยยังดีถ้ามายามในสาขานี่คอบบุตรเมื่อยุ1ิปีและรูปร่างของท่านจะทรงความเมื่อยุ16หกตลอดนยร้อยยี่สปี มีใคราหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากำลั ง, งเทศอยู่นังวิสาฐานนั่งอยู่ท่ามกลางระหว่างหลานนั่งกลางหลานน้อมรอบพระราชาติสัตรู อ, อยากจะดูลูกหลานมังวิสาขาว่าสวยมัากแก่แล้วยังไม่ยังไม่โตอายุมากแล้วก็ยังไม่แก่ไปยืนดูยั ง, งมองไม่เห็ว่าหลานนื่มางวิสาขาถามตั้นโกมารพัชขาวานังวิสาขาจริงๆคนไหน อันกระชี้ดูจะทข้าใจไม่ได้ใ้การเลี้ยสาวเท่าหลานต่อมาท่านกรมารถก็ต้องบอกว่าเอา น, นี้ก็แล้วกันดูเวลาเทศเทศจบตามธรรมดาหนุ่มสาวเขาลุกพวกข้าลุกขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าวคนแก่นี่ต้องใช้สองมื อ, อยัอนพื้นก่อนถ้าไม่ข้าวประตูก็สังเกตดูเวลาเทศพระเจ้าเทศจบต้างก็เดยกลับเข้าพวกคนเขาก็ลุกขึ้นหลานหลานนางสาวขาต้องใช้สองแขนยันพื้นแล้วก็ลุกขึ้น แล้วนี่เขามีข่าวเล่าเือว่านางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันทีนใในนเาา่เป็นพระโสดาบันก็้าสมีพุทธบูชาหนึ่งสมพุทธบูชาหนึ่งสมขันโธมะผืออุตจาและเขาก็ลือกต่อไปว่านางวิสาขานี่มีกําลังเท่าเจ็ดช่างสารไอช่างสารนีนช่างรบทักมีกําลังมากคนเดียวเท่ากับช่างเจ็ดเชือกกําลังของท่านบ่ออกไปน่าวิหารแล้วท่านเท่าสัตูก็ลองปล่อยช่างตัวซัดบันให้วิ่งไล่ตัวแข่ง บรรดาสายสารและหลานสาวทั้งหลายก็พากันวิ่งหนีนวิสายขาทําอะไรเธอค่นั้นก็โบกช้างมาเธอเห็นหันหลังไปปรายตัวช้างเข้ามาใกล้เธอก็ยกมือขึ้นกิ้มหน้าปัดเดียวเจ้าช้างนั้นสูกกระแทกดินที่แตกไปเลยลูกขึ้นใช่ไหมเนั้นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตใจของบรรดาญาโยมพระตัวบริสัทใ์ชัเดียงนึกถึงพระเจ้าเป็นปกติ อย่างนี้เป็นพุท ธ, ธานุปติกรรมฐานถึงไม่ได้ทำบาปมากแสนมากเพล่อะตายจิตใจ ย, ยังรู้สึงว่าเจ้าอยู่ก็ลงนรกไม่เป็นเรื่การมีสองได้าซ่อมแซมพระพุทธรูปกรกเก่าแล้วใกล้จะทําให้มีสภาพเดิมท่าบาังเอิญจะเกิดเป็นข้าศนใหม่รูปร่างของท่านจะมีสภาพาเช่นเดียวกับนางวิสาขาอันนี้สอบไปก็เห็นไปนเรื่องสังฆทานพระญาติโยมมณนษฐ์ไหาวา้สังฆทานกันมากต้องมีปัญหามาครับท่านมัสู่ครับ ปัญหาคือถามว่าเขาไปใส่บาตรจะได้บุญไหมถามว่าเขาไปใส่บาตรจะได้บุญไหมโอ้โหทำไมเขา ม, มันได้ดิตอนคิดไปแล้วยังมาถามยังไงเลย่านะเขาไม่รู้เราคิดว่าเราพรุ่นี้จะใส่บาตรดิมันได้้แล้วลลว่าเตรียมเงินเตรยมมยังไม่ได้ใส่บาตรเลยแล้เดี๋ยว ถ้าเทพอย่างนี้ไอ้พระวัดตรง้นก็ชาวประาชนตายหมดไม่อดแดดอดไี่อดโซ่ไม่ยอมอะไรนึอไม่ยอมย่ายย้อนคืนย่คิดอย่างนี้ก็ไม่ยอมใส่สิอ้าวไม่ใช่ทำไมมันได้หลายตอนมนเอดยคิดยังไงเลาเล่าก็ไม่เลไม่ต้องใส่คิดอย่างไอย่างนั้นเื่อเราคิดเนี่ยเราก็เตรียม ว่าพกี้จะใส่บาตรเทียนขนม น, ม, นมอะไร เ, เรียบร้อยในตอนนะนะในบุญก็ได้ตอนใช่ไหมแล้วคนี้ก็ทันเช้าเตื่นขมาก็ถึงเข้าแล้วก็ไปตักบาตรนะไปตักบาตรอันนี้นะผมไปเจอในหนังสือว่าคุณเจ้าโยมคนนึง่งแกไปจา่ายบาตรของแกแก็ใส่บาตรพระไปตักบาตรมานั้งพระ น, นมนมไปก็หลายองค์ ก็แตักมาใส่พระพุษแกก็ทั้งแกก็ด่าเลยจุด้ี่ใส่กด่ า, ดาชุบขายอ้แกด่าเร่างนี้แล้วก็ใส่อมชุบขายเล่ใส่พระก็ชุบขายมาโห่จีเอ็มพอเราไม่เคยไปทะเลาะกันยมก็คืนว่าทำไมมันด่าเราเนี่ยพระก็ยิ่งยิ้ไปอีก โยนแ่ด่านั้นเองตลอดพี่ไผ่แกก็บอกว่าคุณคุณจะมาโทษโยนด่าไม่ได้หรอกไอ้ี่ด่าน่ไม่ได้ด่าเพราะคุณเช้ด่าไอ้โลโกรธอย่างไม่มันหมดไปตึ้นไปทุกทาย้าไ่่ใช่ปอย่างงี้ดีื่อวันนี้เวลาด่าง้ไง่ไอ้ตอโกรใจแล้วคุณเช่าทาไมล่ะ ไอ้คำถวายทานเก่าๆนะครับ ด, ดูินังวัดตมเม ท, ทานังอารยขยาวหังมิทานอัปยโยโหโหตเออาปลว่ายงไปล่ยัน่อันเนก็จะทิ้นังวัดตมเม ท, ทานังทานที่ข้าพเจ้าให้ดีเลยหนอครับรับแลจะเป็นพระไทยกันฟังครับครับอารยขยาวหังโหโตขอจงถึงซึ่อพระมิพราน อันเป็นเครื่องหมดไปสิ้นไปชุดหายไปโอ้ยอเดียวใจาบบนี้นะมันเปิดกำจัดไอ้โรคตัวเราไม่ได้ใน่ว่าก็จัดการคำเท่าแต่เดี๋ยวใครไปขายสายปั๊บไอ้ชุดหายอะไก็ด้ไอ้ชุดหายโอ้นั้นนะใช่ว่าไอชุดหายนี่มูนกเจ้าู้หญิงนะ ใช่คื่ไปให้กินเลยตู้คือหายไปอ่ะไอ้หมดไฟขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับคุณเจ้าทำไมเราดูกันไง่ๆคนที่ขตักบาตรทำบุญอยู่เรื่อยๆคนคนนั้นจะเป็นคนทเฉียบกว่ามีโทษศัพเบาและมีโลหะเบาแล้วคนที่ติดใจก็นั่งนะ ไม่รู้จัก็ะทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์้นตัวไม่รู้ักเดียวนี้นนลองมึงสือบ่อยดูพ้นบ่อยนะทำไ ม, ไมเลยอ้าวก็จงลูกไปเรียนหลานกาแพงนี่ไแล้วทำไมเอเอไปเรียนจนม่มงก็จะจบได้ปริญญากัญชามาสิใช่ปลิญญากัญชามาก็ดีเพรามันสวมท้งน่งองรองท้าตัง้งแเด็กมานี่แต่พ่อก็อยากให้ลูกกระดีก็เข้ามั่ ใครมันทำนามันก็ไม่ทำทำไม่เชื่อเขาทำไรมันก็ไม่ทำมันนั่งหิวจะบนญชาไม่มีแต่ตังจะช่วยกัญชาพ่อก็เลยบอกไอ้หนูกูจัมึงมาจะจะขายไร่ขายนาอาจเงืองตานห้าไปเรียนมันหูวมึงไม่ได้อะไรเลยมึงได้แค่กัญชากลับมามึงก็ไม่ควนไปอยู่ที่นูนนะเพราะว่าอย่างนี้นั้นแหละมันมาโหมันเข้าตอนนี้คว แต่ควาอยต่อมาจามหัวพ่อมันก็เลยพ่อตายเออเหนื่อนี่นะพวกคุณเจ้าลุกนี้นะแค่เลยความจริงของพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อแต่ว่าจิตใจคนลุกใหม่มันเสื่อเองแต่คนลุกเก่าๆคนชั่วนอก็เรู้ว่าผู้เมื่อนะใช่มันมีทั้งคนดีคนชั่วคน น, นั้นทีน่ดี่ไนอยู่ทีอเจ้าทรงได้ชนอยู่ตัวอใหญ่ก็คือเทวทัตใช่ไหม ใช่แต่ว่าพักจะเป็นลูกเจ้าความจริงก็ไป็นพี่พมันนางพิมพาบวชเข้ามาแล้วนพระพุทธศาสนาได้ปัญญาห้าสามารถหอเหิเนบรรยากาศได้ใช่ไหมตอนมากรรมเพื่อเคยอุศลให้ผลเธยกลาเป็นคนมีความอักตันดูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าตายและแย่เวจีความจริงมันก็ไม่มีแต่สมัยนี้มันมีทุกสมัยนะครับเนี้ยเรื่องความว่าการใส่บาตที่บรรดาญาโยมพธธระทวยสถามเมื่อกี้นี้ย ใส่บาตหน้าบ้านถ้ายาทโยมไม่เฉพาะจ ะ, ะจงดีสูงรูปหนึ่งรูปใดว่าจะเป็นใครมาท่านก็ใส่ให้อย่างนี้จัดเป็นสัญญาทานใช่ไหมพระรัตน์ใช่ไห ม, ไ ห, มหลักที่แล้วเรื <c oughs> ่อ <c oughs> ความว่าเป็นสัญญาทาน <c oughs> ที่ขอเล่าให้ท่ทานฟังสั้นๆให้ฟังพรเวลาใกล้จะหมดาการจริงการใส่บาตก็ดีด้านสัญญาทาก็ดีรู่นนางรุสายขาชอบพรนมากใช่ไหม นาิสาขาที่มีปกติให้ทานเป็นปกติพระวิชาทรงแม้ทรงตรัสว่านามิสาขาก็ดีถ้านายวิเนศเสร็จถีก็ดีเวลาที่เข้าไปในมหาวิหารซึ่งชื่อไม่เป็นผู้มีมเืตเาเราและต้องให้คนวัดใช้นนชู่อนนท์ชื่นี้มาเพื่อประโยชน์กับพระตอนเช้าไ ม, ไม่เลยเที่ยงนําอาหารมาหลังจากเที่ยงไปแล้วว่านํามเภสัชที่ใช้จะฉันได้ในเวลาเลยเวลาเที่ยง แทงสองพันี่กลายเป็นคนหนักประทานมากในวิ่านย้อนถอยหลังคนเรื่องนางแล้วเรื่องดาวนาวิสาขาว่าความจริงนวิสาขาเนี่ยชาตก่อนจริงๆเขาไม่ได้รวยมากแต่ไม่เพียงว่าในสมยัยพระเจ้าผมอาจจะถ้าจําผิดนะถ้าจำจำไม่ผิดผิดก็ไม่ผิดจะเอาหนึ่งะอะไรแบบนี้พลาดไปก็ในเวลานั้นเราต่อพระเจ้าทรงบัติเคลื่อนเราในโลก มีเพื่อนของนายวิสาขาคนหนึ่งเธอเป็นมหาเศรษฐีมากก็เป็นคนภาวนาหมายความว่าเป็นคนเลี้ยงพระพระจะมาที่วิหารนั่นกี่แสนองค์ก็ตามเธอเป็นเยาี่ภาพหมดวิหารที่เป็นที่อยู่ของใช้ของแั ง, งก็ดีอะไรขาดตรงปกป้อง mm hmm. เธอเขาเลี้ยงหมดถวายหมดรับรองเป็นยาภาพใหญ่ใช้ ไ, ไม่ให้เธอให้ปกป้องอะไรเธอซ่งนายวิสาขายว่าเพื่อนเมื่อตัวไป็นคนเกือ่อนกลุ่นเพื่อนศาสนานแบบนี้เป็นของดีมาก ยิงอยากจะได้ตําแหน่งสองตำแหอยากจะรวยแต่ไม่ใช่วเป็นอวยไทยจะเลี้ยงพระสงฆ์มี พ, พ, พระเจ้าเป็นประธานวันหนึ่งจึงนำอาหารพระจะไหวา้เป็นสังฆทานตามฐานะาพระจะไหายสังฆทานเสร็จก็เข้าไปปรารถนากับพระเจ้าวาา่ขาขอผลบุญที่ข้ า, าเพเจ้าทําแล้วนี้ต่อไปในชาตินาเขาได้เป็นผู้มีอุปการะต่อพระศาสนาอย่างเพื่อน้งตัว เจ้าพระพทธเจ้าทรงทราบเจตนานจึงเปิดตัวตู ว, ต ว, ต ว, ตวนั้นให้าระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปชาติโน้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าสมุนามื่อพระสงฆ์นัโคโดมเกิดขึ้นหญิงคนนี้จะเกิดในชาตินั้นมีนามว่ามิส า, า, าขามหาอบาสิกาแล้วก็จะมีฐานะดีเป็นคนบรรลุพระศาสนาเหมือนหญิงคนนี้จึงควรเป็นพระพุทธกอรัิสา นี่เรื่ความว่าการถวายสังฆทานในญาติโยมพระตัวใหญัดวันนี้ถวายกันมากและก็ถวายเป็นวัตถุอย่างอื่นก็มีในญาติโยมทุกอย่าลว่าญาติโยมที่ใส่บาตรนะนั่นเป็นสังฆทานแท้นะแต่ว่าถ้าเราไม่เจาะจงจะพระองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเป็นว่าใสเคยใสพระกอถ้าขอมาเราไม่ใส่อย่างนี้ไม่เป็นสังฆทานเป็นปาฏิบุตรสุดท้าย ก็เป็นพราะพระต่อจะมาพระขอจะมาพระขอจะมาแล้วเมรุเราจะมาก็ตามมาตามเวลาเราใส่ทั้งหมดเราเคยใส่องค์เดียวถ้าองค์ก่อนที่เคยมาท่านไม่มาท่านบอกว่าองค์นี้มาแทนเราก็ใส่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานแต่สังฆทานที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคนใดเคยถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยมือเจริญนาตั้งใจเป็นมหาอุปสนจริงธรรมาหาอุปสนไม่หมายความไม่ต้องการผลตอบแทน ให้แล้วก็ถือว่าให้ไปตั้งใจคือว่าเราให้เป็นการตัดโลภะความโลภคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดถ้ายังต้องเกิดมาเป็นคนอีกพันแสนชาติต่อตามขึ้นชั่กวาากาลยกจนเฉินใจจะไม่มีชะบุคคลนะ้นกว่าจะเข้าพระนิพพานเป็นมันว่าท่านครูครับรถโดยไล่ปลอดนาทียาสามโมง ตอนที่จะถึงเวลาจะถึงสามโมงใ น, นการท่องพงรจะชา้าไปนิดหนึ่งก็เวลาให้ปัญญาญาโยมทราบเรื่องเวลานำอะไม่รบกวนให้เอาไม่ให้แล้วไปแต่ว่าบอกให้ทราบว่าคืนนี้วันนี้กลางวันเทศสองเทามากคืนเท่าคืนวันนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงถ้าจะตรงใกล้ตรงถึงสามทุ่ ม, ก, มก็จะเพศธรรมไม้ขึ้น ที่สลาพระภินเทีกาจารย์ยกทรงไปไหนยกทรงอยู่อยู่ยนา่าเอาละแต่ไม่ว่าคือนี้นโยงนะถ้าสลาห ล, ล, ลังน้นคนเข้าไม่หมดอยู่ขันดอกกระเด้ฟังเราจะใช้รโพนสองตัวขนดอกขอนันไหนอะไรครับเจ้าเูเล่เป็นกะทีดียังพอตอนนี้มาพอดีเอาแล้วนี้นก็จะสรุปแล้วนะ แล้กกันคือวันนี้แค่จริงๆว่าอันพันละน้อยเมื่อรวมรวมลงมาแล้วก็ไม่ ม, ม, ม, มอนนีอะไรมากมีแค่สามอย่างหนึ่งทานะไมต้องการในพวกท่านทั้งหลายรื้อ่าการบริชาทานน่ะมันมีบุญยังไงนะเราจะรอดตัวบา ร, รมี10พัดนี่ทุกขึ้นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแม่คือของนั้นเลยคือของนั้นนี่ครบคืนก่อนขอเขาเนะแล้วก็ ภาวนามาอีกอันที่พวกท่านทั้งหลายามาอุทยามาหาท่นานมาหาวิลาฐาวนวโลนีแต่นักว่าพวกท่นเนี่ยคิจะช่วยส่วนของพวกท่านเพราะเราเราเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยท่านทั้งหลายมันก็มีดีแล้มีชั่วติดตัวจะมาต้อง้นแหละไม่ว่าใครลูกพ่อสององค์ที่นั่งแทศกันนึ่งก็มีดีมั่งชั่วมัง่งไม่ใช่ว่ามันจะดีกันหมดถึงองวเมืม่ไหร่เรา เราทุกท่านทั้งหลายก็หมัน่นกันอีกทีแหละมันก็มืยรู้มั่งมือเชื่อมั่งเจ้านะบางครั้งมันก็จิตใจแข m เฉืนบางครั้งจิตใจมันก็ขุ่นมัวบางครั้งมันก็มีโทสะบางครั้งมันก็มีหลงจะไอหลงก็เช่เนี่ยหลงไม่ต้องคำนวณทั้งหลายลเจ้านะเราพยายามแก้ให้ดีห ล, ลงไม่ก่อหลงไม่รู้ไม่เสียงไม่กลิ่นใมรสไมสัมผัสเมือน่มึน ที่ลุพอว่ามันจะเก่ยงหน่อยมึงถ้ามึงสวยจริงละมึงไม่ต้องมาเอาสีพี่เจ้าเขียนหน้าหลอกชาวบ้านของมันหรอนะฮะเนี่ยเดี๋ยมึงไม่สวยไม่จริงเลยมึงมาหลอกเขาอะนะเรียท่านทั้งหลายอันนี้เมื่อท่านบายหน้าของมาอย่างนี้เวลานี้ประเทศไทยเราวันนี้ลุงพ่อเต็มใจเทะแขนพวกท่านมากันเยอะนี่นับว่าใกล้ๆพันคนไปนะ แอ่มันก็เศเษฐศาสตรมันคือมันก็สติสตัมมันก็ท่องคลองซักก็ีนะถ้าท่านให้เอาภัยบ้างก็แล้วกันไม่นีนะ่อะไรหรอกนะอันนี้จะให้พรพวกท่านเลยนะวันนี้จะตั้งใจดูด้วยว่าจะให้พรพวกท่านให้เต็มเต็มทิดเดียวดูด้วยว่าท่านฝากไปจัดท่าวัดถ่าจนนี้แล้ว ฉันจิตใจจะแช่มชื่นดีรือว่าจิตใจท่านจะเจ้าหมองนะเอาละไม่ต้องตลบอะไกันมากม า, ายพุทีนิยมทานเมายมบุญต้งเด็ดในการให้ทานถือละใหมบุญ้งเด็ดในการละสาศินภาวนาไหมบุญต้งเด็ดในการจเจริญภาวนาก็พอพุทธานุภาเวนะด้วย า, านุภาพแผงสำเด็ดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แมดีิดการ ที่ท่านหวงรัดดับสังขารเข้าโศมีพานไปแล้วข้าพเจ้าทั้งสองขอพุ่งพระพุท ธ, ธานุภาพอันนี้จงมาตกปัดรักษาดูแลดวงจิตและกายของท่านพุทธบริษัท้งหลายให้มีความตกใจตกใจด้วยกันทุกท่านธรรมานุภาเวนะเวานุภาพแห่งพระธรรม ทั้งแตดมูนสี่พันระธรรมขันธ์ทุกขพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์กัตสลุพระอริยส า, าวกทุกทุพระองค์กัดสลุพระเจ้าทั้งสองขอพึ่งพระธรรมานุภาพปณีจจ์จงมาช่วยกำจัดปัดเก่าค ว, วามโมกเขลาทานสติปัญญาและจิตปัญญา ขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีปฏิภาณนั้นแจ่มใสชัดเจนสามารถรู้แจ้งแทนตลอดอริยสัจทั้งสี่ประการคือทุกสมุทัยมีโลกมักได้ทุกขณะจิตที่คิดนึกจังขานุภาเวนะ้วย อ, อนุภาพแผงพระอริยสงและสมุติสง ทิท่านยังดชีวิตอยู่ก็าตา ม, มที่ทะาล่องรับดับสังขารเข้าสู่นิพพานแลว้วก็ตามข้าพเจ้าทั้งสองขอพุ่งะสังขารูภาพอันนี้จงมาช่วยเตนจิตจิตใจอบยมบ่มนิสัยทางสติปัญญาและสิทธิวิญญาณขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มือปฏิภาณนั้นแจ่มใสอเหลมคมสามารถลู้แ้นแทนตลอดจะใกลักได้ทั้งสามประการคือพระนิจังและทุกขังพระอนาจตาได้ทุกขณะอิจิคิดมุด้วยกันทุกท่านเทินเอวังเจดีโดยต่การละนีจบได้ อาเรวะหาดูวาสริภูเรนดีสาขณะนิวัมเมวิโตจินนางเปตานังวะกะภติอิจิตังปิตังุมหังสุมวสตุสัพเรสังปาจนโรสยะามะนิโชติระโสยะชาสัพพติโยวิวัันุสัพโโวิน จะขุมมาตือโหัดวันด้วยโสุขีที่ายกุโควาอาพิวาจะในสีฤทธนิจังหุธาจายโนจตโรธรมมาวัตถันธิอายุปนูสุขังภลัง